Samma d i t h i samma sankappa, samma vaca, h sama. เฉพาะสติปัฏฐานบรรยายไว้เนี่ยบรรยายว่าประมาณปีใช้เวลาบรรยายอยู่ปีเฉพาะสติปัฏฐานสูนงจากนั้นเวทนาเนี่ยจะพูดถึงเวทนาท่านจะพูดถึงในเรื่องของสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุกขมสุขเวทนาเป็นสามสุขเวทนาอิงามิตรในที่นั้นคือสุขเวทนาที่อาศัยเรือนอามิตรัพท์นะั้นมาจากคําว่าอามะ ในอามะขันท่าสูตรนั่นแหละในชั้นของอนุภาวดิกาท่านขยายคำว่าอามะเข้าไว้อามะตอนนั้นเป็นชื่อของเป็นชื่อของกิเลสเขาแปลว่าเหยื่อคืออย่างนี้ว่าถ้าแปลให้ตรงตัวก็แปลว่าอามะเนี่ยก็คือกลิ่นคาวของกิเลสเช่น เมื่อเราได้กินอาหารอาหารไม่ใช่กิเลสแต่ราคะที่เกิดร่วมกันกับอกุศลธรรมทั้งหลายราคะที่เข้าไปเสพติดที่ไปยินดีไปเพลิดเพลินทำให้ติดในรสของอาหารนั้นเน่ยตัวกิเลสนั่นแหละเขาเรียกอามะ เขรียกกลิ่นคาวมันทําให้สัตว์เนี่ยติดในกลิ่นของกิเลสเมื่อมีราคะเวทนาก็ได้เสพคุ้นกับราคะเวทนาก็เสวยรสของกลิ่นของกิเลสสัญญาก็จํากลิ่นของกิเลสสังขารก็ปรุงแต่งกลิ่นของกิเลสวิญญาณก็รู้กลิ่นของกิเลสการเสพคุ้นมากขึ้นมากขึ้น ปริมาณชาวนาที่เป็นอกุศลมากขึ้นมากขึ้นสัตว์ตั้งหลายจึงติดกลิ่นของกิเลสเนี่ยเ้าเรียกว่ากลิ่นดิบภาษาของดีกาท่านใช้ก็กลิ่นคาวกลิ่นคาวตรงเนี้ทําให้สัตว์ติดทําให้สัตว์เพลิดเพลินเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่กลิ่นดิบอาหารเนี่ยไม่ใช่กลิ่นคาวแต่ราคาเป็นต้นคือความกําหนัดหรือโทสะเป็นต้นเนี่ คือความเครียดความโกรธนโมหะคือความรุ่มหลงเป็นต้นที่ไปยินดีไปขัดเคืองหรือไปรุ่มหลงในที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มอาหารและยาเป็นต้นเลยกลายเป็นว่ากิเลสต่างหากเป็นกลิ่นคาวเป็นกลิ่นดิบแต่อาหารและเนื้อเป็นต้นไม่ใช่กลิ่นดิบไม่ใช่กลิ่นคาวแต่สัตว์ทั้งหลายไปเสพคุ้นไม่ใช่เสพอย่างเดียวกับใช้กลิ่นคาวของกิเลสไปเสพ ศาตรก็เลยติดติดอะไรติดกลิ่นของกิเลสติดกลิ่นของกิเลสตรงนี้ท่านเรียกว่าอามิตไม่จช่คาว่าอามาถ้าไปดูในอามาคันท่าสูตรเนี่ยพระาศาสดาเรียกว่ากลิ่นดิบกลิ่นดิบแต่กลิ่นดิบเนี่ยพรามทั้งหลายที่กินผักบริโภคผักไม่กินเนื้อบอกว่าเนื้อปลาและเนื้อเนี่ยเป็นกลิ่นดิบพระาศาสดาบอกว่าเธอเข้าใจผิดแล้ว ผักปลาและเนื้อไม่ใช่กลิ่นดิบแต่กิเลสที่ไปยินดีไปเพลิดเพลินในปลาและเนื้อแต่ถาคตไม่ได้สอนให้ละปลาและเนื้อแต่ให้สอนให้ละกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการเสพติดปลาและเนื้อฉะนั้นถ้ามองตรงนี้เราจะเห็นอะไรคาวา่าอา mith ไอ้คาว่าเยืนอไหม ถึงบอกว่าเวทนาอาศัยอามิตรอิงอามิตรไม่ใช่จะเวทนาเนะแม้สัญญาก็อาศัยแม้สังขารก็อาศัยแม้วิญญาณก็อาศัยจิตทั้งหลายที่ไปเศษติดชื่อว่าอาศัยเหยื่ออาศัยอามิตรอามิตรอาศัยอาิตต h ใจที่นั้นก็คืออาศัยกลิ่นของกิเลสติดกิเลสนั่นเองกลิ่นคราวกลิ่นคราวนี้ใครได้เสษแล้วออกยาก ก็เราเนี่ยในสังสารวัฏออกมาทำไมไม่พนทุกข์ก็เพราะเรานี่แหละเป็นหนึ่งในในจำนวนติดกลิ่นข่าวของกิเลสและลุ่มหลงด้วยในในวสุตันเดบิดโรอาจะจะเป็นมัชมนิมัยมัชมนิกายหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่พอดีดูมันคือเมื่อวานเนี right)> ่ยมาพูดในเรื่องของศีลไจก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงด้วยเลย กพใช้เวลาค่อนข้างน้อยแต่วันนี้พระท่านจะมาสรุปเรื่องเออจะมาพูดเรื่องศีลให้ฟังก็เป็นโอกาสเนี่ยที่จริงเนเรื่องศีลเคยบรรยายไปค่อนข้างหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ญาติโยมที่มากันนะที่นี้อาจจะไม่เคยอาจจะไม่ได้ตามรายละเอียดในเรื่องของศีลเพราะเมื่อพูดถึงในเรื่องของศีลเนี่ยท่านจะพูดถึงในเรื่องของเจตนาศีล หมายถึงเจตนาเจตสิกที่อยู่ในกุศลจิตูบาทแต่เมื่อวานนี้อามาพูดถึงในเรื่องของเจตนาศีลที่เป็นไปในอกุศลด้วยเป็นอกุศล ศ, รศรีลและเจตนาที่เป็นไปในอัพยากติด้วยเป็นอัพยากตศีลเหตุผลก็คือว่าตรงนั้นอามาไปยกมาในปฏิสัมพิธามากักแต่เขาบริบอกว่าอในรายละเอียดต่างๆเนี้เราอาจจะมีเวลาสื่ค้นกันไม่พอเนอะ วันนี้พระท่านจะมาขยายในเรื่องของกุศลศีลให้ชัดขึ้นฉะนั้นเจตนาศีลก็คือเจตนาที่เป็นไปกับกุศลจิตที่ขับเน้นที่นี้ก่อนส่วนเจตสิกศีลก็มีอยู่หกตัวก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นเป็นศีลโดยตรงเขเป็นนิปริยายะส่วนเจตนาศีล และเจตสิกดวงอื่นเช่นมีศีลที่เป็นศีลห้าใช่ไหมศีลแปดศีลศีลเก้าด้วยเนะี่ยองค์เก้าด้วยนั่นก็คืออโบสถนั่นเองเพิ่มเมตตาสาคฆเตนะเจตสายคองแล้วก็ศีลสิบได้ไหมหยางเงักแล้วถ้าเป็นบาง มีไมีเอาคารวะเคยถือศีลสิบไหยเนี่ยมีศีลสิบคารวะก็มีนะมีอย่างนี้การรักษาศีลห้าศีลแปดแล้วยังมีศีลอื่นๆเช่อนอาชีวธรรมกศีลได้แก่กายทุจริตเว้นจากกายทุจริตสามเว้นจากวจีทุจริตสี่แล้วก็เว้นจากมิจฉาอาชีวะเวรมณีเว้นจากมิจฉาอาชีพก็รวมเป็นแปด นี่ก็เรียกอาชีวธรรมกศีลศีลที่มีอาชีวะเป็นที่แปดรวังกศีลก็จะแก่อุโบสถทศีลนั่นเองเพิ่มอะไรเพิ่มยะถาผวังเมตตาสาคเตนะเจตาสาเป็นต้นอะเนี่ยนะข้าพเจ้าจะขอแผ่เมตตาจิตให้แก่สรรพสัตว์ ท, ทั้งปวงตามกําลังเนี่ยเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งเลยกลายเป็นเก้าก็เพิ่มจากแปดเพิ่มอีกข้อดีไหมงั้นเพิ่มอีกข้อก็อย่าลืมสมาทานต่อด้วยนะ มีไหมในเนี้ยอาเปิดดูทีในหนวงสือส่วนมนมีไม่มีหน้าเท่าไหร่หน้าสี่เอาทำไมไม่สมาทานเลยเห็นไหมข้อที่เก้าเห็นนี่ยังหน้าที่ห้าะใช่ไหมหน้าที่สี่หน้าที่ห้ า, หหน า, 4, หนา 5, เนี่ยเห็นไหมเห็นได้ยังอา้าลองว่าข้อที่เก้าดูที 8, แล้วแปลอ่ะหนึ่งสองสาม เจตสาเอกังทิสังภริตวาสมาธิยามิตถาทุติยางตถาตติยางจะถาจะตุถังอิติอุทธมโนติริยางสัพพิสัพพตายตยสัพพาวันตังโลกังเมตตาสหคเตนะเจตสา วิปุเรนะมหาคาเตนะอปมานีนะอเวรานะอภัยาปัชเชนะภาริตตวาสมาธิยามีอแปรด้วยข้าพเจ้าขอสมาทานเมตตาจิตไปยังทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามก็อย่างนั้นทิศที่สี่ก็อย่างนั้น ทิดเบื้งสูทิดเบื้องต่ำทิดเบื้องขวาก็เช่นเดียวกันข้าพเจา้าขอสมาทานแผ่เมตตาจิตอันภัยบูร์กว้างขวางหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไปยังสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตทุ เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์พออย่างอีกที่อิมังว่าไปดิอิมังสตากูธปัญญัตังเมตตาสหคเตนะเจตาสาอุปสถังอิมันจารติงอิมันจาทิวาสังสมมะเทวะ อภิรักขีตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานพอสตาสีลพร้อมด้วยเมตตาองค์้าระการนี้ที่พระผู้มีพระย์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วเพื่อจะรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งและขอสมาทานอุโบสถกรรมสิท กายสุจริสาวาจีทุจริศีโมโนสุจริศาของวดเว้นจากอากุศลการมอบบทสิบกายสุจลิศาวาจีทุจริศีโมโนทุจริศาเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสุขนี่มาในสัตตสูตรอังคุตรนิกายนาวกานิบาตพระพุทธเจ้าแสดงไว้ ให้เราสมาทานแบบนี้ <c oughs> นี่ไม่เคยรักษาศีินก้ากเน้นนั่งเนี่ยใช่ไหมนี่อุโบสถศีลนยเนี่ยกลับไปก็ลองสมาทานเนาะดีไหมนี่เพิ่มอีกข้อหนึ่งเพราะใจจะได้ไม่โหดร้ายใจจะได้ไม่โหดร้ายฮะเมื่อวันธรรมดาก็ได้อ๋อนี้ ศีลห้าเอาอย่างนี้นะสมาทานศีลห้าด้วยแล้วก็สมาทานกายกายสุจิริสามวจีสุจริสี่มโนสุจริสามแล้วก็เว้นจากกายทุจิริสามวจีทุจริสี่แล้วก็มโนทุจริสามแล้วก็เพิ่มเมตตาได้เพิ่มเมตตาในนั้นจริงๆมีเมตตาอยู่ไหมมีอยู่ด้วยนะฉะนั้นจริงๆก็คือว่า สี่ห้าอย่างเดียวไม่พอต้องสมาทานกุศลกรรมบทชสิบด้วยเนะี่ยต้องสมาทานด้วยเพราะว่าการที่จะได้อัถภาพมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายเนี่ยมาจากสีลห้าและกุศลกรรมบวชสิบเนี่ยนั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเนี่ยมาจากสี่ห้ามาจากกุศลกรรมบทชสิบทั้งนั้นแต่เราลืมอดีตไงพอปัจจุบันเลยจะเอาแค่สี่ห้าอย่างเดียวการเจริญกุศลในพระศาสนาเนี่ยพระองค์สอนมากน้อยไหม ให้มักน้อยในการเจริญกุศลเคยเจอไหมไม่เจอแต่ให้มักน้อยในการกินอาหารในการใช้เครื่องอยู่ที่อยู่อาศาัยเนี่ยแล้วก็ยาเรื่องต่างๆเนี่ยมักน้อยในเรื่องเหล่านั้นให้มักน้อยในปัจใจสี่แต่ห้ามมักน้อยในการเจริญกุศลถ้าไปมักน้อยในการเจริญกุศลแล้วเมื่อไหร่จะบรรลุใช่ไหมเดี๋ยวเขาพระเจ้าสอนสันโดษแล้วสอนมักน้อยนี่ยุ่งเลยว่าใช้พิธีไหมนี่เป็นอย่างนี้ ตรงนี้เวลาสมาทานก็ให้แปลด้วยเพราะเราไม่คุ้นเคยกับภาษาบาลีใช่ไหมเมื่อไม่คุ้นเคยกับภาษาบาลีเนี่ยบางทีเราก็จะไม่เห็นฉะนั้นระวังก้ศีนก็ได้แก่อุโบสถศีนนั่นเองก็เพิ่มยถาพลังเมตตาสากะเตนะเจตาสาปไปส่วนถ้าสังขศีนได้แก่ศีนสิบประการที่สมณีรักษานั่นแหละคารวะก็รักษาได้อาชีวธรรมกศีนเนี่ย ในวิสุทธิมรรคอัตถกถาท่านเรียกว่าอธิพรหมจริยศีลศีลที่เป็นเบื้องต้นของอะไรของอะไรอธิพรหมจริยศีลแปลว่าอะไรศีลที่เป็นเบื้องต้นของของของ ม, กก ร, มรรคพรหมจันทร์ใช่ไหมเพราะศีลเนี่ยนะศีลที่เป็นอาชีวธรรมกศีลเนี่ยอันนี้เป็น คำว่าศาสนาพรหมจรรย์นี่ยได้แก่ได้แก่พุทธวจนะทั้งสิ้นแล้วก็ไตรสิกขานั่นเป็นศาสนาพรมจรรย์แล้วก็มรรคพรหมจรรย์ก็คือได้แก่อริยมรรคดวงแปดเราเข้ามาในประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เรามาประพฤติอะไรประพฤติพรหมจรรย์อ๋อพรหมจรรย์อันแรกอันแรกก็ได้แก่อะไร มาประพฤติปฏิบัติเดินตามาศาสนพรหมจรรย์และก็ตามมาเพิ่มพูนศีขาสามฉะนั้นพุทธวจนะทั้งสิ้นและไตรศีขานั้นเรียกเรียกว่ า, าศาสนพรหมจรรย์เพื่ออะไรเพื่อให้เข้าถึงมรรคพรหมจรรย์ใช่ไหมอันนั้นคือพระธรรมคุณถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะได้เห็นความงามของพระธรรมไงความงามของพระธรรมตรงนี้ก็ได้มองเห็นคุณของ อถ้ามองเห็นคุณของพระาศาสดาก็มองเห็นคุณของพระธรรมด้วยนะมองเห็นคุณของพระธรรมด้วยตรงนี้ก็เลยมองให้เห็นว่าพอจะมองเห็นไหมว่าคำว่ า, าศาสนารรมจันทร์เนี่ยคือคืออะไรนะเออนั่นแหละพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละเป็นาศาสนาธรรมจันทร์พร้อม ด, ด้วยไตรสิกขาด้วย ส่วนอริยมรรคมีองค์แปดก็เป็นส่วนศีลที่เป็นอาชีวธรรมกศีลเนี่ยเขาเรียกศีลที่เป็นอาทิพรหมจริยาศีลศีลที่เป็นเบื้องต้นของเออมรรคกัปปมจรรย์นนะศีลศีลเป็นความงามในเบื้องต้นไหมเพราะเป็นมูลรากของความดีทั้งปวงเป็นมูลรากความดีทั้งหมดเลยนะศีลเนี่ยอยู่ในชั้นของพระพุทธคุณธรรมคุณหรือสังคคุณ ศีลเนี่ยศีลนี่เป็นพุทธคุณธรรมคุณหรือสังกคุณศีลนี่เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติหรือสังขานุสติโอ้ยลําบากเลยเดี๋ยวเข้าใจเรื่องศีลกีนศีลเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติหรือสังขานุสติศีลเป็นธรรมะไหม ก็เป็นธรรมานุสติไงแล้วใช่ไหมธรรมาแยกเป็นสีลานุสติก็ได้แต่จริงๆก็คือธรรมานุสติถ้าระลึกถึงศีลก็ชื่อว่าระลึกถึงพระพระธรรมเมืมเ่อระลึกถึงกุศลศีลก็ระลึกถึงพระธรรมใช่ไหมพระธรรมคืออะไรโอ้นี่ชัดเลยนะพระธรม ร, รมคสาสอนของพระเจ้าง่ายเกินดีไม่ต่อเป็นธรรมะคือกุณากอยุ่ เดี๋ยวก็ไปกันยาวเลยเดยนีส่วนชอบสาทรไปใหญ่เลยสิใช่ไหมอย่างนี้เขาพูดกันแปลกดีเนี่ยเขบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติ <laughs> ใช่ไหมเขาพูดกันอย่างนีง้ยธรรมะคือธรรมชาติอืมแปลกธรรมะคือธรรมชาติเขาจะจะพังไงแล้วธรรมะเป็นธรรมชาติไปแล้วเนี่ยไอ้จริงก็พูดถูกเนะี่ยเดี๋ยวคนก็นึกว่าไปเที่ยวธรรมะกันดิไปเที่ยวธรรมชาติไปกันใหญ่เลยทีนี้ใช่ไหม คืออย่างนี้นะพระธรรมเนี่ยพระธรรมรัตนะนี่นะท่านจําแนกเป็นปริยัติสัจธรรมปฏิปติสัจธรรมและอธิคมสัจธรรมปริยัติปฏิบัติแล้วก็อธิคมเนี่เป็นความงามในเบื้องต้นตามกลางและที่สุดได้ใช่ไหมคำว่าได้แก่อะไรศาสนาพรหมจันทร์และมรรคพรหมจันทร์อะไรคือศาสนาพรหมจันทร์ศิกขาสามดังได้กล่าวแล้วก็พุทธ ว, ทธวจนะทั้งสิ้นนั่นแหละ ฉะนั้นศาสนาพระมจรรย์ของพระบรมศาสดานั้นมีความงามในเบื้องต้นตามกลางและที่สุดถึงพร้อมในอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีความบทพร่องเลยถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้จะได้เห็นว่าตอนนี้เรากำลังจะศึกษาพระธรรมราตนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าศีลเป็นความงามในเบื้องต้นเพราะเป็นมูลรากของความดีทั้งปวงใช่ไความดีระดับไหน ระดับกายสุจริตธ์วจีสุจริทธ์มโนสุจริทใช่ไหมระดับขณิกาสมาธิอุปจารสมาธิระดับปฐมฌานทุติยฌ า, านตติยฌ า, านจตุติฌานระดับอรูปฌานคืออากาสานัญญายตนะวิญญาณัญญายตนะอากินจัญญาัญญายตนะเนวะสัญญาณนาะสัญญาัยตนะอันนี้านุปัสนาทุกขานุปัสนาหน้านุปนะัสนา วิราคาโนปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสคานุปัสสนาทั้งหลายเหล่าเนี้กุศลศีล น, นั้นเป็นความงามเป็นรากของกุศลธรรมระดับเหล่านี้ทั้งหมดเลยสรุปก็คือว่ากุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดจะขึ้นไปสู่ระดับไหนจะต้องมีศีลเนเป็นฐานรองเป็นภาชนะรองไว้หมดเลยจะต้องทรงไว้อยู่บนกุศลศีลหมดเลยเช่นวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นมาลอยๆยไม่ได้ จะต้องมีตัวกุศลศีลเป็นสภาเป็นสภาวะที่ทรงไว้สมาธิทุกระดับจะเอากุศลศีลออกไม่ได้ต้องมีสภาพของกุศลศีลเนี่ยเป็นสภาวะที่ทรงไว้รองไว้รับไว้เอาละซีความดีทั้งหมดเนี่ยต้องมีกุศลศีลเนี่ยแทรกไว้เป็นยาดำหมดเลยถ้าดึงกุศลศีลออกความดีเหล่านั้นพังหมดไหมเอางี้นะเอาเสาออกนิสลาพังไหมเนี่ยแค่นี้แหละ กุศลศีลก็เหมือนเสาสล า, าเลยดีๆเนี่ยใช่ไหมจ๊ะนี่เขาจะเห็นเลยชัดเลยโน่นน่ะฐานเรือที่เรานอนกันกัอยู่เอาปูนฐานเรือออกพังไว้เนี่ยปวกยินหมดใช่ไหมเดี๋ยวก็พังงั้นกุศลแลศีลเนี่ยจะรองรับทุกระดับถ้าระดับที่สูงไปขนาดไหนตัวกุศลแลศีลก็วิ่งไปอยู่ในระดับนั้นนะไม่ใช่มาอยู่แค่ข้างล่างเช่นศีลอยู่ข้างล่างเนี่ยศีลเป็นพื้นอย่างเงี้ยนะ แต่พอขึ้นไปอยู่บนลังคาไม่มีศีลอยู่บนนั้นเลยไม่ใช่เราจะไปบอกว่าพื้นไม่อยู่บนบนลังคาได้ไหมได้ไม่ได้พื้นก็อยู่บนลังคาด้วยนะเนี่ยนะเพราะว่าลังคาใส่พื้นใช่ไหมอาศัยพื้นแต่ตัวกุศลศีลเนี่ยจะไปอยู่แทรกไว้หมดเลยเช่นในอันนี้จานุปัสสนาเนี่ยปัญญาที่ไปพิจนารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยงในนั้นน่ะในวิปัสสนาญาณนั้นมีศีลอยู่ไหม ถ้าไม่มีศีลล่วงไว้ก็ลุกอันนี้จานุปัสนาคือมหากุศลยาณะสัมปยุทธ์เนี่ยที่เป็นโสมนัสหรือเป็นอุเบกขาที่เป็นอาสังขาริกหรือ ส, สาสังขาริกนั่นน่ะเกิดขึ้นโดยมีการชักชวนหรือไม่มีการชักชวนเป็นโสมนัสหรือเป็นอุเบกขามีปัญญาประกอบหรือไม่มีปัญญาประกอบเอาไม่มีปัญญาประกอบเป็นวิปัสนาได้ยังไงเป็นได้งไงเป็นได้ถ้าหากว่ายาณวิปยุทธ์นั้นเข้าถึงความคล่องแคล่วแล้ว ทางเดินเนี่ยเวลาเดินจนชำนาญแล้วนะบางครั้งต้องใช้ปัญญาไหมแต่ความชํานาญความคล่องแคล่วแล้วเนี่ยเลยกลายเป็นชํานาญฉะนั้นความเห็นด้วยความเป็นอันนี้จังเนี่ยเป็นต้นเหล่าเนี่ยใหม่ๆต้องใช้ปัญญาเข้าไปเดินเมื่อเดินจนชํานาญแล้วบางคราวก็บางขณะก็เป็นวิปยุทธก็เข้าไปเห็นได้นี่เป็นอย่างนี้ทางท่าถางให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เอาญานวิปยุทธไปเห็นได้ไหมตอนนี้เห็นได้ไหมเนี่ย ถ้ายังไม่ใช้ปัญญาก่อนจะไปเห็นด้วยความไม่เที่ยงไม่ได้เลยหม่ไหมเนี่ยแต่เมื่อปัญญาไปถามจนชำนาญแล้วเนี่ยญาณวิทย์ไปยึดไปเห็นได้ไหมเคยเห็นจริงเลยที่พูดนี่ยพรพูดเชื่อเลยแค่นี้แต่ตรงนี้ก็คือศีลเป็นความงามในเบื้องต้นเพราะเป็นมูลรากแห่งความดีทั้งปวงสมาธิเป็นความงามในท่ามกลางเพราะสงบนิวาณธรรมทั้งหลายได้ เป็นสงบเครื่องกั้นเสียได้ปัญญาเป็นความงามนี้ที่สุดเพราะรู้ตามความจริงทําให้เบื่อหน่ายคลายกําหนัดแล้วก็ทําให้หลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงยอมอยากหลุดพ้นจากสังขารไหมอยากหลุดพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมอธวันหนึ่งแล้วไม่มีตาเนี่ยทรมานไหมเราจะต้องจากตาจริงๆแล้วจะไม่มีตาอีกต่อไปเนี่ยเอาไหมเนี่ยสังขารเนี่ยเนนะี่ยจริงหรือเบื่อตากันจริงรึเปล่า อย่าไปเบื่ออย่าไปอยากเป็นไปนิพพานเหมือนสองตายายอ้อนวอนเขาสวดมนต์คอยไปนิพพานคอยไปนิพพานแกไม่รู้นิพพานยิงไอ้คนข้างห้องก็รำคาญสวดอ็ที่ฐานดังก็ปีนขึ้นไปห้องม่ติดกันแกไปหาชุดลิเกแค่ใส่มาแกบอกพอที่ฐานเสร็จก็ตะโกนลงมาอยู่บนคือข้างบน บอกไปนี่จะมารับไปนิพพานแล้วเกลี้ยงกันเลยเลยเนี่ยตาไปก่อนยายไปก่อนยายเป็นเงินก็ยังก็ลาคาญคนข้างองก็ลาคาญนะไปไปมาๆก็เลยมัวเถียงกันอยู่นั่นเลยตกลงใครจะไปก่อนเดี๋ยวโกรธตัวเนืก็ ในข้านึข้าวกันเลยบอกว่ายังไม่ไปกันทั้งคู่ให้เทวดาปลอมกันเลยบอกเออจำไว้ต่อไปอย่าสวรรค์บนดังเทวดาอยู่บนสวรรค์ลำคาญว่ากลัวจะเป็นเงินยุ่งอันนี้จริงๆชาวพุทธเนี่ยนะอย่าอย่าไปเบื่อบนฐานข้อมูลของโทรศัพท์และไปเข้าใจว่าเป็นปัญญาโทรศัท์เบื่อได้ไหม เบื่อได้เจอหน้าใครก็เบื่อเบื่อหมดเลยแต่มันไม่ใช่นิพพิทายานไม่ใช่เบื่อแบบปัญญาถ้าเบื่อแบบปัญญาเนี่ยเบื่อแบบถ่ายถอนนะเอาถ้าหากเราเบื่อหน้าคนอื่นเนี่ยเห็นคนนี้เห็นเห็นใครก็เบื่อไปหมดเห็นอะไรก็เบื่อไปหมดเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่ามันเป็นโทสะหรือเป็นนิพพิทายานถ้าเบื่อเนี่ยแม้ความคิดที่ไปเบื่อก็เบื่อความคิดอันนั้นด้วยนะ ถอย่างนั้นถึงจะใช่นะเพราะความคิดนั่นก็น่าเบื่อเพราะปรารถนาแม้ไม่ปรารถนาแม้แต่จะมีความคิดโดยทั้าไปใช่ไหมถ้าเป็นนิพพายายนเบื่อเป็นกระทั้งความคิดที่ไปเบื่อด้วยไม่ใช่ว่าคนอื่นน่าเบื่อหมดแต่ความคิดของเราดีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เลยนะถ้านิพพทายานก็จะถ่ายถอนหมดเลยตรงนี้ก็คือท่านต้องการมองให้เห็นว่าตอนนี้เรามาศึกษาในเรื่องของกุศลศีล ทีนี้พอศึกษาในเรื่องของกฎสุรศีนก็เลยมาศึกษาในเรื่องของชั้นของศีนต่างๆเหล่าเนี้มันมีเยอะใช่ไหมศีนเนี่ยทีนี้ก็เลยมาพูดเมื่อเช้านี้พระท่านพูดในเรื่องของเจตนาศีนเจตสิกศีนสังวรศีนนวีติกมาศีนได้ยังพูดครบหมดเลยใช่ไหาเจตนาศีลพระอธวัตจัดแจงจัดแจงนะซึ่งนา ม, มาทำทั้งหลาย อาเจตนานี่เกิดที่เจตนาในที่นี้ที่เป็นเจตนาศีนเนี่ขับเน้นแค่กุศลศีลก่อนนะอากุศลศีลจักไม่อธิบายอัพยากตศีลจักไม่อธิบายเพราะไม่ใช่เป็นวิชาการที่เราจะมาสอนคำพิเศษวิสุทธิมรรคแต่จริงๆก็ต้องรู้ไว้ตรงนี้ต้องการจะเอามาใช้ให้ได้นะพวกเราเนี่ยนะประเด็นอยู่ตรงนั้นฉะนั้นหมายถึงเอาตัวกุศลและเจตนา เจตนาที่เป็นไปแก่การที่จะจัดแจงปรุงแต่งนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่ประกอบไว้กับตนไว้กับรมนะทีนี้นามธรรมา ท, ทั้งหลายผัสสะอาจจะพูดลงรายละเอียดนิดนึงนะเพราะเมื่อเช้านี่พระท่านบอกโขบบอกเกี่ยวกับในเรื่องของมุมอานิสงส์มุมโทษอะไรพอสมควรใช่ไหมเห็นมุมกว้างเห็นประโยชน์ตอนนี้จริงๆแล้วประโยชน์ในการรักษาศีลเนี่ยชัดเจนนี่ยัง ถ้าชัดเจนขนาดไหนก่อนเดี๋ยวถามดูก่อนไม่ก็เนื้อใจหรอกถามว่าระหว่างกุศลศีลกับลาบสการะตอนนี้ใจเราไปทางไหนจริงใช่ไหมสการะแปลว่าอะไรเนี่ยเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆนี่นะอะไรสําคัญ่ะระหว่างวัตถุ ก, กามกับกุศลศีลเนี่ย กุศลศีนี่สําคัญกว่าวัตถุกรรมทั้งหลายใช่ไหมเพราะตอนนี้เรามองเห็นวัตถุกรรมกลายเป็นวัตถุทานไปหมดแล้วฉะนั้นอยากจะสละทุกอย่างใช่ไหมมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมอยากจะสละเมตตาคู่เนี้ยให้เป็นทําให้เป็นทานให้เป็นอุปมเป็นทานและอุ ป, ปปารามีอยากจะตัดหูเนี่ยถวายเป็นอุปปารามีเป็นพุทธบูชาใช่ไหมอยากจะตัดจมูกเนี่ย ถวายเป็นอุปปาเรามีจะากจะควักหัวใจถวายเป็นทานคิดอย่างนั้นบ้างไหมเนี่ยยังเลยหรือว่ามาไปคนเดียวเลยนี่คือข้างนอกเนี่ยเป็นวัตถุทานใช่ไหมเขาเรียกภาหิราทานภาหิราทานถ้าภายในเนี่ยเขาเรียกอัจฉติกาทานอัจฉิกาทานตัวทานได้แก่เจตนาใช่ไหม ที่เป็นไป ก, นกุศลคือจิตที่คิดจะให้เป็นต้นอยูม่มะทีนี้ถ้าพัฒนาระดับทานอกุศลสูงเป็นไปตามลําดับเนี่ยเขาพัฒนาไปสู่ชั้นของมหาฐานอะไรคือมหาทานอะไรคือมหาทานมหาทานคืออะไรลืมซะแล้วลืมแล้วอะไรเป็นมหาทานอะไรเป็นมหาทาน ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสยังไงพระพุทธเจ้าตรัสยังไงอะไรเป็นหมหาฐานข้อที่หนึ่งอะไรเป็นหมหาฐานข้อที่หนึ่งการงดเว้นจากอะไรอศีลข้อแรกเป็นอะไรนะศีลข้อแรกเป็นหมหาฐานเป็นหมหาฐานทําไมศีลข้อแรกจึงเป็นหมหาฐานเพราะเป็นการให้อะไร ให้ชีวิตเป็นอะไรให้ชีวิตเป็นทานฉะนั้นพระองค์จึงเรียกว่าเป็นมหาทานใช่ไหมการให้ชีวิตเป็นทานนั่นเองฉะนั้นจึงบอกว่าอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้อริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ที่บอกว่าท่านเดินตามรอยของพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลาย การที่จะรักษาศีลที่จะเป็นระดับมหาทานจึงจะมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมตระหนักว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละปานาธิบาสงดเว้นจากปานาติบาสวางท่อนไม้วางศัตรามีความอาอายเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์เกื้อกูลสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดชีวิตและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้เราก็จะละอะไร ละปานาติบาตงดเว้นจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรามีความละอายมีความเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์เกื้อกูลสัพพสัตว์อยู่ตลอดไปเราก็ทําตามลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเรานั้นกระทาตามพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายและบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไหมแบบเนี้ยพร้อมด้วยพระธรรมและพระริยสงด้วยทั้นท่านถึงบอกว่าเป็นเป็นมหาทาน เป็นมหาทานข้อแรกทําไมจึงจัดว่าเป็นมหาทานฮให้อะไรเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานที่เรียกว่าให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยเพราะในชั้นคําสอนพระศ า, าสดาตรัสไว้ใช่ไหมตรัสไว้บอกว่าเจตนาเป็นทานเป็นต้นเป็นไปตามลําดับ ท่านบอกว่าปานาติปาตาปฏิวิรโตโพิกเวริยาสาวกโกเป็นต้นบอกว่าภริยาสาวกเว้นจากปานาติบาตนั้นย่อมให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ทำไมจึงใช้คำว่าหาประมาณไม่ได้เว้นหนึ่งชีวิตชื่อว่าเว้นกี่ชีวิตเอางี้ถ้าไม่ฆ่าเราหนึ่งคนชื่อว่าเป็นการให้ชีวิตอีกหลายร้รอยหลายพันชีวิตไหม ให้ยังไงมองไม่ออกอะมองอยังไงเอา้าถ้าไม่ฆ่ายอมหนึ่งท่านหนึ่งคนแล้วทำไมจึงเรียกว่าเป็นการให้ชีวิตของบุคคลหาประมาณไม่ได้มีญาติด้วยใช่ไหมแล้วเทวดาที่เฝ้าประจำตนก็มีใช่ไหมในชั้นจาตุมเป็นต้นใช่ไหมแล้วเทวดามีพวกไหมเทวดาชั้นจาตุมก็มีพวกเทวดาชั้น เราดึงอีกไหมเขาเชื่อมโยงกันไปหมดไหมจากตัวมหาราชกาเตาวติงสายามาดุสิตานิมมานาราดีปรณิมมิสวสวัสดีเรามีพวกอยู่ทุกภพอ่ะเขาเชื่อมโยงกันไปเป็นแถวเปน็นแถวหมดฉะนั้นชื่อว่าให้ความปลอดภัยให้ความไม่มีเวรแก่โคแกส่สัตว์หาประมาณไม่ได้ไหมแม้ในตัวเรานี่มีสัตว์อยู่แปดหมื่นตระกูลนะชื่อว่าไม่ฆ่าพยาธิในท้องด้วยไหมหาประมาณไม่ได้ใช่ไหม ฉะนั้นกลับไปบอก ต, อต่อไปเราไม่โกรธคุณแล้วเพราะความโกรธจะเป็นปัจจัยใก่การประทุสลายและจะเป็นปัจจัยแก่การฆ่าถ้าเราฆ่าคุณชื่อว่าเรานั้นไม่กรุณาพยาธิในท้องคุณด้วยได้มไหมเอาเรอจริงๆนะเนี่ยพยาธิมีตั้งไม่รู้กี่่กีตุกูลเนี่ยเยอะแยะเป็นหมดยั่วเยี่ไปหมดอาหารหนึ่งคำแรกสองคำแรกเข้าไปเนี่ยเสร็จพยาธิหมดนะถ้าเรามีตาคือปัญญายาณทั้งหลายเนี่ย อาหารตกถึงท้องนี่พยาติลุมกินหมดเลยกได้มากคำแรกตักของดีหรือไม่ดีของดีไหมตักของดีๆใส่เข้าไปเรื่อยยู่งน่กว่าจะเวลาวิตามินดีเลี้ยงเลี้ยงใครคิดเป็นทานได้ไหมกลัวจะไม่คิดหนีแต่ลโลพาสำนวนก็พูดกันไปใช่หแต่จริงๆโดยมากจะไม่เคยคิดอย่างนั้น เห็นกินหน้าทาลอยชื่นอกชื่นใจกันนึ่งนั้นมีใครบ้างกินไปกําหนดไปพิจรารณาใครกวรไปว่าพอกัดปลาไปตัวหนึง่งก็บอกว่าโอ๋ยต้องมากินลูกตัวเองเนี่ยต้องมากินพ่อกินแม่ตัวเองคิดอย่างงี้ไหมลองไปดูในปุตตะมังสะสูตรทีไหมแต่ต้องคิดอาาัตถัยออกนะเขาบอกสองสามีภรรยาเดินทางไกลไง กันดานไงไปดูในคัมภีร์สั่งยุทธนิทานวักไปดูพระองค์ยกตัวอย่างว่าสองสามีเดินทางกันดานระยะทางร้อยโยชน์เดินไปได้ห้าสิบโยศเบียงหมดไปกับลูกน้อยอีกคนหนึ่งปัญญาคนสามีคนเป็นสามค น, นต่อมามองหน้ากันแล้วอาหารก็หมดระยะทางก็เหลือห้าสิบโจะทำยังไง สามีก็ให้ค่าตนเองภรรยาก็ให้ค่าตนเองในฐานะที่ทำหน้าที่ของ พ, พ่อและแม่ไม่ดีไปไปมาปรึกษากันไหมปรึกษากันมาก็มองเห็นลูกแล้วจะฆ่าลูกแล้วไม่มีอาหารจะกินจนะทำไงร้อนก็ร้อนก็เลยแม่ก็ไม่กล้าฆ่าพ่อก็ไม่กล้าฆ่าใช่ไหมก็บอกให้ลูกไปหาพ่อบอกให้พ่อไปหาลูกอยู่ข้้นไล่ไปก็บอกให้บอกให้ลูกเดินไปเดินมาลูกเดินจนตายเลย ก็ได้อาหารนั้นเ่ยมาก็เอาแล้วแต่นี้เนื้อก็ไม่ได้ย่างเนื้อก็ไม่ได้ใส่เกลือเนื้อนั้นก็เป็นเนื้อบุตรของเราเป็นเนื้อญาติของเราเนื้อนี้เป็นเนื้อของบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราถนุถนอมสองสามีภรรยาจะกินเนื้อบุตรด้วยความล่าเลิงด้วยความสนุกสนานได้ไหมพระพุทธเจ้ถามเนี่ยดูก่อนพิกษุทั้งหลายเธอต้องสําคัญหมายอย่างนั้น ดูก่อนภิกษุณีอุบาสกุบาสิกาทั้งหลายเธอต้องสำคัญหมายอย่างนั้นในสังสารวัตใช่ไหมที่เราเกิดมาในที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมีไหมแต่สัญญาเราสั้นท่านวันนี้เคยเป็นพ่อแม่เราเราลืมหมดไงตอนนี้ก็เหมือนไหมอไตอนนี้มาเจอคำสอนของพระศาสดาเหลืออีก5้าสิบโยชนได้ไหมเนี่ยจะพ้นจากสังสารวัเนี่ย แล้วรู้ด้วยพระเจ้ากล่าวบอกว่าสังสารวัตที่ก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกันไม่มีเอาละสี่ถ้รู้ตรงนี้แล้วคิดออกไหมเนี่ยต้องมาทนกินกันเนี่ยทําไมกินด้วยความล่าเลงทําไมกินด้วยตัณหาทําไมต้องกินด้วยอภิชาทําไมต้องกินด้วยความอ ร, อร่อยทําไมไม่พิจารณาทําไมไม่มีปัจเวักระนาสุดที่คิดออกไหมเนี่ยหรือไม่ออกอีกคิดยังไง เป็นเนื้อของกครฮะถ้าเป็นเนื้อบุดจริงๆกินลงไหมเอากรนิ่มบุดจริงๆไหมจริงไหมจริงก็จริงจริงนี่แหละแต่ความจำเรามันสั้นไงใช่ไหมรีบกินแล้วต้องรีบเดินให้ถึงทางใช่ไหมกินแล้วก็มานั่งพักผ่อนกายยานอนหลับไม่ทําความเพียร แล้วก็จะกินกันไปอีกเท่าไหร่เนี่ยเมื่อไหร่จะหยุดกินกันพะยมเมือม่อไหร่จะหยุดหรือใครพลาดก็แล้วไปอยากพลาดเองเจอหน้าก็บอกกันไว้ที่แล้วงนั้นนะนี่นะฉันยังไม่อยากออกจากสังสารวัวตรเลวถ้าฉันพลาดคุณกินฉันถ้าถ้าคุณพลาดฉันจะกินคุณนะเจอหน้าสสํานวนก็ต้องคุยกันคานี้จะไหม ยันหน้ากันโทรฮัลโหลโอ้โหที่ร้านอาหารนั้นก็ปรุงเนื้อลูกเราอร่อยเหลือเกินดีไปกันเถอะอย่างนี้ที่บ่อยตืข้อได้จริงไป น, งนี้ป่ะเขาไปแล้วเขาไปเขนั่งคุยโอ้โ oh, หเนื้อบุตรนี่พอมันแปลงกายเป็นปลาที่เราสมมุติกันเนะี่ยใช่ไหมก็คือสอบลูกดีๆนี่แหละแต่เราเรียกสอบปลาเนื้อปลาเหมนกันเนี่ยโอ้เนื้อปล า, า, oh, านี่เป็นเนื้อต่างประเทศอร่อยวิตามินสูง ใช่ไหมในข้อที่จริงแล้วก็เราคิดไม่ออกเนะี่ยมองไม่ออกมองมุมคําสอนไม่ออกอัตถะไม่ไม่ชัดพอไม่ชัดก็ระดมกินกันปะพอาศาสนาของพระเชษฐาเจ้าหมดไปยิ่งลืมใหญ่ไม่มีใครเตือนสติพอพระาศาสดามาเตือนอีกเอ๊ะงงงงคิดไม่ค่อยออกคิดไม่ออกเอ๊ใช่หรือไม่เห็นเนะี่ย ก็เราไม่มีจักสู่ของพัทริยะตาเราบอดเนะ่ะไม่มีจักสู่ของพัทธิยะนี่ไม่จริงหรอกนี่ลูกเราคนเนี้ยเราจําได้คนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเพราะนี่มันเราออกจากท้องเราคือคนนี้นี่พอพบชาติมันทับถมลืมหมดไหมลืมหมดก็ไปกันอยู่เนี้ยเราจะวางไงโยม อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะโมหนะนาโมหะวิชาหนาแน่นเนอะคิดไม่ออกมันแค่ถูกพบชาติบงังปุ๊บพบเดียวก็คิดไม่ได้แล้วเราเนี่ยวิชาหนามากเนยแค่หนึ่งพบเนี่ยบังแค่นั้นเนี่ยคิดไม่ออกแล้วแล้วไปข้างหน้าก็มืดใช่ไหมข้างหลังก็มืดอยู่ตรงนี้บางทีบางทีเมื่อวานเนี่ยทําอะไรมาบ้างยังลืมหมดเลยอะ่ะ มืดขนาดนั้นนะน่ากลัวไหมน่ากลัวเนี่ยเป็นอย่างนี้เราก็ก็ท่องเที่ยวกันไปมาอยู่นี่แหละนี่นะนั่งนั่งกันอยู่นี่นะถ้าไปอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเราไปเป็นพ่อค้าในการทําประมงไอ้ที่เหลือไปเป็นปลาอยู่ในนั้นคิดว่าเราจะกรุณากันไหมเนี่ย โอ้โหปลาตัวนี้ต้องไช้ ท, ทาบุญมาดีใช่ไหมเนื้อก็เยอะร่างกายก็งามโอโ้อย่างเงี้ยเนื้อก็มากก็เรียบร้อยแล้วก็ลากกันขึ้นมาแล้วแล้วก็ประหรัดประหารเข็นข้ากันไปแล้วก็กินกันด้วยเละอร่อยนี่แหละนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นทั้งบอกว่าอริยาสาวกมันเว้นจากปาณาติบาสใช่ไหมอย่างเด็ดขาดเพราะท่านวิรตีของท่านนั้นกระทบใน โลกุตละแล้วท่านเป็นสมุทเฉท้าปหารลาได้อย่างเด็ดขาดแล้วแต่อย่างเราดิเวทียังอ่อนเอมานานๆจะเกิดในกุศลทันทีธรรมชาติที่งดเว้นจากปานาติบาตเนี่ยธรรมที่เป็นเครื่องงดเว้นเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเนี่ยนานๆจะมักมีกําลังทันทีต้องอาศัยเหตุปัจจัยต้องอาศัยข้อมูลต้องอาศัยการสมาทานเนะต้องอาศัยความตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเดี๋ยวเราเบียดเบียนก็หมด มนุษย์นี่เป็นสัตว์ดุร้ายนะลองไปดูในจันทสูตริพระพิจ่าว่าคนดุเธอเป็นคนดุว่างั้นเพราะมีราคะโทสะโมหะเลยเป็นเหตุหึงความเป็นคนดุแล้วดุจริงนมนุษย์เราเนี่ยเพราะอาศัยมีคุณธรรมมาหล่อเลี้ยงแหละเลยดูไม่เหมือนไม่ค่อยดุเท่าไหร่ช่นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นกรณีในลักษณะเนี้ยก็ย่อมให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ การให้อภัยแก่สัตว์ตั้งหลายชื่อว่าเป็นมหาทานข้อที่หนึ่งทีนี้เราดูแล้วเราน่าจะหนึ่งหนึ่งชีวิตเนี่ยแ ท, ท้จริงนึกว่าจะไม่กระทบอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตทั้งที่เราเห็นได้และเห็นไม่ได้กระทบหมดเลยนี่แหละคือธรรมชาติของการให้การบริจาคชีวิตเป็นทานการให้ชีวิตเป็นทานถามว่าในขณะที่เราเดินเราคิด จนคิดออกจนสามารถกระทบกับชีวิตของบุคคลอื่นได้เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเราจะไม่กล้าโกรธใครเลยเนี่ยเราจะไม่กล้าโกรธเลยเช่นผู้มาประพฤติธรรมเนี่ยถ้าเราเกิดไปประทุษร้ายหนึ่งบุคคลเนี่ยทําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมน่ะจิตใจเขาเสียใช่ไหมโอ้โหโดนเบียดเบียนโดนประทุษร้ายเนี่ยลองคิดดูสิแล้วท่านเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันแล้วมีคนณธรรมกันพอสมควรด้วยเนี่ย ถ้าาพิจารณาอย่างนี้ลองคิดดูทีว่าแล้วแต่ละคนนั้นก็มียาดมีดแต่ละคนนั้นก็มีจุดเชื่อมโยงเต็มไปหมดเลยทั้งในการประูมิรูปประพูมินะเต็มไปหมดเนี่ยนะยึดโยงกันหมดเพราะนั้นถ้าให้คนเขาสามัคคีกันถ้าให้คนเขาอุ่นใจหนึ่งคนเนี่ยสภาพของความสามาคัคคีสภาพของความอุ่นใจเนะมันก็จะต่อกันเป็นแถวเป็นแนวหมดฉะนั้นเราลองไปพูดยุยงให้สัตว์นั้นแตกแยกกันสิหนึ่งชีวิตเราเน้กว่าจะแตกแยกแค่หนึ่งชีวิตนะ ที่ไหนได้เอางี้ถ้าไปยุโยงอีกคนหนึ่งให้แตกแยกกับอีกคนหนึ่งผลปรากฏจะไม่ใช่แค่หนึ่งแล้วแตกแยกบุคคลนั้นมีญาติมีพี่มีน้องก็แตกแยกญาติก็มีเพื่อนมีฝูงก็แตกแยกก็ยังมีเทวดาประจําตนในชั้นจาตูมชั้นเดาดึงชั้นยามาดุสิตนิมาราลีปรินิมิตสวัสวัสดีก็สมยัยครั้งพุทธกาลเนี่ยในกรุงโกลสัมพีอ่ะพระแตกออกมาเป็นสองกกสองหมู่ พระวินัยทอนกับพระธามาทรเนเ่แตกยันพรมโลกจนภาษาสดาต้องหนีไปจำภาษาที่เลลา ย, ลา ย, ยากะที่ป่าเลลายะกะมีเป็นอย่างนี้นั่นคือสภาพของการแตกแยกถ้าเราไปเจอกิจกรรมยุโยงให้เกิดการแตกแยกเกลียยชังกันเมื่อไรเราต้องเดินหนีตรงนั้นน่ะสภาพของความวิบัติกำลังจะเกิดแล้วเขาไม่เห็นกรรมเขาไม่รู้จกรรมไง ถ้าเขารู้กรรมเขาจะไม่ทำเลยแค่คนสองคนแตกแยกเขาก็ไม่ทำหรอกเขาอย่าว่าจะหมู่ใหญ่เลยแค่สองคนนี่ก็เจ็บปวดแล้วเพราะมันผิดศีลผิดศีลข้อปีสุนาวาจาไงนะมีวาจาส่อเสียดเนี่ยทำให้คนแตกกันจากเป็นหมู่เป็นคณะนั่แหละลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าแค่ข้อแรกเนี่ยมีผลมากมีอานิสงส์มาก ย่อมให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ให้ชีวิตเนียให้อภัยแก่ชีวิตเนี่ยหาประมาณไม่ได้ด้วยและลองคิดดูที่ว่ามหาทานข้อแรกที่เป็นในชั้นของกุศลศีลที่เป็นเจตนาศีลเป็นต้นเหล่านี้ยจึงเป็นกุศลที่เป็นกุศลกรรมทีนี้กุศลกรรมตัวนี้ท่านจึงบอกว่าเจตนาเป็นต้นของผู้มีวิรัตเนี่ยนะถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นอะไรเจตนาเขาจัดแจงอะไร เจตนานั้นจัดแจงสภาพสภาพธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันกับเขาคืออย่างนี้ถ้ากลุ่มเรียนปรมัตถธรรมเนะเจาะลึกลงเพื่อจะได้สาวเข้าไปหาสมุหะคือธรรมที่เกิดร่วมกันกับเขาจะได้ชัดเจนลงไปใช่ไหมสําหรับเพืจะเกื้อกูลต่อการที่จะเจริญกุศลเชิงลึกแต่ถ้าหากเราเดินตามเชิงลึกไม่ได้เราก็ได้เชิงไม่ลึกเท่าไหร่อยู่แล้วแต่การฟังแบบนี้เป็นอุปนิสัยไหมก็แม่ไก่ฟังยังได้บรรลุปเป็น พาทหารได้นี่เราเป็นมนุษย์ฟังทรรมโอกาสบรรลุมีไหมขอให้ตั้งใจให้ดีอย่าหลับฟังกันแล้วกันใช่ไหฟังด้จิตที่เป็นกุศลเท่านะั้นเอาจริงๆนะไก่ฟังพระเจริญวิปัสนาโอ้โหควรจะได้บรรลุนานกันเนี่เท่าไหร่เนี่ยกูกูสันทะโกนาคมนาะกัสปะแล้วก็พระเจ้าองค์ปัจจุบันใช่ไห ม, มาเป็นหมู อีกสิบสามอัตภาพได้บรรลุเลยแต่ตอนนี้ศาสนาบริเจ้ายังอยู่เหรอใช่ไหมการฟังการตั้งใจเนะี่ยถึงไม่เข้าใจก็ได้เปรียบงั้นอยากเครียดถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจอย่า ก, กุ้มอย่าไปเหมื่อยลอยถ้าเหมื่อยลอยได้อัธยาศัยไหมได้ไม่ได้ ถ้ให้บาปเกิดขึ้ น, นในขณะฟังธรรมจะได้อัธยาศัยไหมได้เหมือนกันอัธยาศัยไม่บรรลุเอาจริงๆนะได้อัธยาศัยที่ไม่บรรลุเพราะเพราะอะไรอ่ะไม่เคารพอะไรไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระธรรมแปบลบว่าไม่เคารพอะไรไม่เคารพมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งพุทธวจนะทั้งหมดไม่เคารพพระสัตธรรมสิบประการ เมื่อไม่เคราพรพพระศัทธรรมสิบประการแล้วจะไปได้าศาสนาพรอาจารย์และมรรคพรหมจารย์ได้ยังไงนั้นก็เห็นเห็นอยู่เพราะใจเราไม่เคารพเพราะมีกิเลสแทรกเมื่อไม่เครารพเนี่ยก็ปิดทางบารรลุ ข, ของตนเองเรียบร้อยไปแล้วใครทําเราใช่ไหมต่อไปจะทํำไหมไม่ทําอีกแล้วใช่ไหมเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นโทษมันเป็นโทษ เนีตรงเนี้ยมันมันเป็นเหตุผลไหมเป็นเหตุผลเลยเพราะพระธรรมที่ท่านกำลังนำกล่าวเนี่ยนำไปเพื่อการขัดเกล้าเพื่อเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแก่การสิ้นทุกข์ในสมัยก่อนลองคิดดูนี้เนี่ยทำไมเราต้องพยายามศึกษาแล้วฟังพระธรรมเพื่อเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างอัธยาศัยเพราะต่อไปเราฟังสั้นๆจะได้บรรลุตอนนี้ฟังแล้วมันยังไม่ทะลุทะลวงใช่ไหม อัธยาศัยที่เราฟังไปฟังไปอัธยาศัยที่น้อมไปเนี่ยในที่สุดจริงๆจะเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดได้ต่อไปฟังสั้นๆบรรลุได้อ่ะตอนนี้ฟังสั้นๆบรรลุได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะกลุ่มที่เขาจะฟังแบบแว บ, บ, บ, บเดียวบรรลุนี่ต้องกลุ่มอุคติตันยูใช่ไหมฟังอุทเทศฟังหัวข้อแล้วบรรลุเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อามาทดลองดูแล้วหลายวันเมื่เนี่ยลองลองขึ้นมาแล้ว สงสัยยังไม่ค่อยมีอุคติตันยูใช่ไหมยังไม่ค่อยมีเพราะแสดงว่าอย่างนี้จะต้องเป็นวิปปิจิตันยูหรือเปล่าถ้าวิปปิจิตันยูฟังสูตรเดียวบรรลุอ่ะฟังธรรมจักจบแล้วบรรลุเลยเอาไม่ลองดูไหมในภาษายายธรรมจักหรืออาทิตตปฏิยัิยสูตรภาษาไทยจบแล้วเนี่ยต้องดูที่ว่ามีใครโยไว้แบบบุมกลัวหลับหมดเลยเนี่ย เนี่ยในกรณีอย่างนี้ก็เราจะเรามองเห็นว่านี่ก็ไม่ใช่อีกฉะนั้นอย่างเราก็ต้องมาเข็นแล้วเข็นอีกไหมต้องอันนี้ก็ ล, า, ลากันไปดีไะมค่อยๆขับประคองกันไปใช่ไหมแต่ถ้าหมดกิจกรรมนี้ก็เอาใครที่อยู่หนะ้าที่ก็ช่วยกันดึงดึงกันในส่วนจริงๆก็เดี๋ยวก็ด่า ฉะนั้นถ้าพูดถึงเจตนาเจตนาจัดแจงนามธรรมทั้งหลายเขาจัดแจงอะไรจัดเจอี้จัดแจงผัสสะภัสสะที่เกิดร่วมกับเจตนาเวทนาเกิดร่วมไหมสัญญาเกิดร่วมไหมสังขารก็เกิดร่วมวิญญาณเป็นต้นก็เกิดร่วมเพราะธรรมชาติของเจตนาเนี่ยธรรมชาติของเขาเป็นยังไงจัดแจงอะไร จัดแจงปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรดีจัดแจงปรุงแต่งซึ่งนามาทำทั้งหลายเขาจัดแจงปรุงแต่งภัษาษะได้ไหมภาษาจะทําหน้าที่กระทบอารมณ์ได้ต้องอาศัยอะไรอาศัยอะไรภาษาจะทําหน้าที่กระทบอารมณ์ได้ต้องอาศัยเจตนาเจตนาสภาพธรรม ท, ท, ที่กระตุ้นเนี่ะกระตุน้นตามที่เกิดพร้อมกับตนสู่อารมณ์ใช่ไหม คืออย่างนี้สภาพของสภาวะธรรมเนี่ยเจตนาเขาจะเกิดร่วมกับเวทนาเวทนาที่จะเสวยรสของอารมณ์ได้ใครเป็นคนกระตุน้นเจตนาเจตนาศีลเนี่ยนี่พูดถึงเจตนาศีลเนะที่อยู่ในกุศลจิรุบาตเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเจตนาในอกุศลเขาไปกระตุนะ้นผัสสะก็กระทบอารมณ์ที่เป็นบาปไป เวทนาก็เสวยรสของบาปเป็นต้นไปอย่างนี้นะแต่ในนี้เราพูดถึงเจตนาศีลที่เป็นกุศลศีลฉะนั้นเจตนาจึงเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนสามปัจยัย ธ, ธรรมก็คือกระตุ้นเตือนผัสสะให้ทำกิจกระทบอารมณ์กระตุ้นเตือนเวทนาให้ทำกิจเสวยรสของอารมณ์กระตุ้นเตือนสัญญาให้ทำกิจในการจำอารมณ์กระตุ้นเตือนไรศรัทธา กตุลเตือนศัทธาให้มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในไหนต่อสัตยยาวัตถุถ้าหากว่าจะกุศลศีลเนี่ยศรัทธาไปเชื่ออะไรดีเชื่ออะไรเชื่อกำเงยใช่ไหมกุศลศีลเป็นกุศลกรรมไหมตอนนั้นกําลังเพาะเชื่อกุศลกรรมอยู่ไหมกาลังปลูกเมล็ดพันธุ์กุศลกรรมอยู่ไหมเพื่อมีผลต่อไปไหม มีผลแน่นอนพรปลูกเข้าไปแล้วกุศลศีลเกิดทางกายทางวาจากุศลศีลเกิดทางไหนหรือทางใจศีลเกิดทางกายทางวาจาหรือทางใจใเกิดทางใจศีลอาศัยวัตถุอะไรเกิดอาศัยหาดทายวัตถุเกิดโอ้ต้องมานั่งเรียนศีลกันใหม่นหน้าคิดนนเนี้ยอันนี้เลยยากไหมไม่ยากเนาะ